วิบากขาวสามารถลัดคิววิบากเก่าพวกเราอยู่กับผลกรรมตลอดเวลาระหว่างมีสภาพเป็นมนุษย์เราต้องรับผลที่เคยก่อไว้และลืมไปแล้วตามคิวร่างกายจากหัวจรถเท้าเป็นผลของกรรมสภาพจิตใจก็เป็นผลของกรรมชะตาชีวิตที่เผชิญอยู่ก็เป็นผลของกรรม ในพระไตรปิฎกบอกไว้ว่าเมื่อวิบากดําให้ผลโมหะก็เข้าครอบแม้บัณฑิตก็ทําเรื่องโง่ได้คนรอบคอบก็ประมาทได้วิบากชั่วนั้นรอจังหวะเล่นงานเราหนักที่สุดตอนเราไม่พร้อมจะรับมือกับมันอย่างที่สุดซึ่งนั่นก็คือช่วงที่เราโลภที่สุดโกรธที่สุดและหลงที่สุดทานศีลภาวนา คือความสว่างแบบพุทธที่มีพลังสว่างอยู่จริงอย่างที่รู้ได้ด้วยตนเองว่าเกิดขึ้นแล้วยกระดับชีวิตได้จริงกรรมที่พยายามลดความโลภความโกรธความหลงนั้นให้ผลเร็วทันตาทันใจแทบไม่มีอะไรเกินหน้าได้เช่นให้ทานเป็นประจำแม้ถูกบีบให้ตรณีจนรู้สึกว่าชีวิตสว่างขึ้นจากทาน รักษาศีลได้แน่วแ น, แ น, แนแ่แม้โดนยั่วยุให้ทำบาปจนรู้สึกว่าชีวิตสว่างขึ้นจากศีลเข้าสมาธิเบิกบานได้แม้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายจนรู้สึกว่าชีวิตสว่างขึ้นจากสมาธิจเจริญสติจเจริญปัญญาได้แม้กำลังเป็นทุกข์สาหัสจนรู้สึกว่าชีวิตสว่างขึ้นจากสติปัญญา คนเราเมื่อกระแสะละโมบลดลงความเดือดเนื้อร้อนใจทางการเงินก็จะลดลงตามและคนเราเมื่อกระแสะพยาบาทจางลงความเบียดเบียนจากคนร้ายก็จะจางลงตามที่สำคัญเมื่อคนเรามีหมอกมัวแหง่งโมหะเบาบ า, บางความเดือดเนื้อร้อนใจอันเกิดจากการตัดสินใจด้วยความเขาก็จะเบาบางตาม เมื่อทำทานรักษาศีลและทำสมาธิให้มากแล้ววิบากาวจะเกิดขึ้นเร็วและสามารถลักคิวให้ผลแทรกแซงวิบากเก่ารักษาเราให้อยู่สวัสดีปลอดภัยสบายใจจากเรื่องรบกวนได้มากกว่าคนทั่วไปอย่างไรก็ตามขอให้เข้าใจว่ากรรมขาวไม่ได้เป็นประกันว่าแก้กรรมเก่าได้ครอบจักรวาล กรรมฐานอาจเลื่อนเวลาให้ผลกรรมดำได้เพราะมีกรรมขาวมาแทรกแซงแต่ไม่ใช่ลบล้างกันเหมือนเอายังลบลบรอยดินสอกรรมดำอาจเข้าคิวให้ผลอยู่สุดกูแต่ถ้าศพช่องเมื่อไหร่ก็ให้ผลจนได้แม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทำบุญขั้นสูงสุดจนสำเร็จมรรคผลแล้วก็ยังต้องเสวยวิบากเกา่าที่เป็นทุกข์ทางกายได้อยู่ แต่พวกท่านจะไม่ทุกข์ทางใจอีกแล้วกายใจนี้รับกรรมโดยไม่จำเป็นต้องมีตัวตนผู้รับกรรมเพราะใจไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์เพราะการรับกรรมนั้นเอาให้ได้อย่างนี้แหละกรรมที่ถูกแก้อย่างแท้จริงขอเป็นกําลังใจให้เพียรต่อ บ, บนวิถีทางอันประเสริฐนี้ครับ